แต่ถ้าเห็นโลกอันนี้โลกคือตาโลกคือหูโลกคือจมูกโลกคือลิ้นโลกคือกายโลกคือใจเนี่ยถ้าเห็นถ้าเห็นว่ามันมีค่าเท่ากับท่อนไม้ท่อนฟืนน่ะนะก็ไม่ได้มีความเสียใจแต่ว่าที่จะรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนมันจะต้องรู้ทิ้งที่สิ่งที่สงบก่อนนะไม่ใช่ยูยูก็มานั่งนึกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเดี๋ยวไปเสียใจในตอนนั้นอ่ะนะตอนใกล้จะตายจริงๆเออมันเราเนี่ยแย่เลยนะไปนึกหวงในตอนสุดท้ายนะ ไม่ใช่ไปนั่งท่องว ม, มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราโดยที่ยังยึดยูนเหมือนเดิมเนี่ยไม่ใช่แต่หมายถึงว่าผู้ที่ทำปริญญารอบรู้ในเนี่ยอายตนะหเป็นอย่างดีอย่างรอบรู้มาแล้วเนี่ยนะซึ่งท่านให้ค่ามันว่าไม่ต่างอะไรจากต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยนะไม่ได้มีความต่างกันเลยเพราะฉะนั้นท่านจะมีอินทรีย์แปรปลวนไปได้ยังไงจะไปเดือดร้อนทำอะไรใช่ไหม ท่านภาษาริษีบดก็กล่าวว่าจริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสสนะได้ถอนอาหางการมะมังการและมานานุสัยได้เด็ดขาดเป็นเวลานา น, านมาแล้วอันนี้ก็บอกว่ายกยกตัวอย่างว่าท่านถอนมานะท่านมานะนี่ผู้ที่ถอนได้เป็นจริงคือพระอรหันต์นั น, นะท่านจริงท่านบรรลุมานานแล้วแต่ก็จริงด้วยนะพระอุปเสสนี่บรรลุเชื่อว่าแถวแถวพรรษาสองหรือพรรษาสท่านบวชมาสองามพรรษาท่านบรรลุแล้วนั น, นะบวชพรรษาแรก เป็นอุปชาเลยพระพุทธเจ้าตําหนิตาหนิเพราะมีลูกเพราะให้รีบให้พลิกกุลบุตรเนี่ยว่าบวตอยู่ด้วยกับตนท่านก็บอกเราเนี่ยถูกตําหนิเพราะเรื่องเนี้ยเราจะต้องให้พระพุทธเจ้าชมเพราะเรื่องนี้ให้ได้ท่านก็ออกจากไปแล้วก็ไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอรหันต์พอบรรลุเป็นพระอรหันต์บับใครที่จะมาอยู่กับท่านต้องสมาทานทุดงถ้าไม่สมาทานทุดงไม่ให้ถือนิสยัยไม่ให้บวตจะไม่ยอมไม่ยอมเป็นอุปชาอาจารย์ให้นะ จะต้องแบบนี้แหละเพรา ะ, ะท่านก็เลยเป็นเอตทักขะด้านเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสโดยรอบนะท่านก็เลยเป็นเอตทักขะนะท่านท่านเก่งมากนะนาศาศาพระสาริบุตรก็ยอมรับนะใช่พระอุปเสนนี่ท่านพ้นมานานแ ล, ล้วบรรลุมานานแล้วไม่ได้ยึดถือในอายตนะภายในคือตาหูจมูกเลนกายใจว่าเป็นเราเป็นของเรามานานแล้วเนี่ยนะแต่ท่านเห็นเป็นอะไรมันก็เห็นเป็นกองทุกข์เท่านั้นแหละเนีนะ เพราะฉะนั้นท่านอุปเสณน์จึงไม่มีความตรึกแบบนี้ไอ้คำว่าตรึกอันนี้เนี่ยเป็นความตรึกที่ที่เป็นคําถามที่จากความกามัตกามวิตกนะพวกกามวิตกก็คือตรึกเนี่ยยินดีในจักสูในนะสำคัญว่าจักสูเป็นเราเป็นของเราหูเป็นเราเป็นของเราจมูกเป็นเราเป็นของเราไอ้คำตรึกอันนี้ความตรึกที่เกิดร่วมกับกิเลสตัณหานั่นเองไม่ใช่สัมมาสังกัปะนะคนละในกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอความตรึกแบบนี้นี่ท่านไม่มีแล้วเมื่อท่านไม่มีเนี่ยท่านก็เลยไม่ได้เสียใจอะไรครั้งนั้นแหละพิสูจนเหล่านั้นยกกายของท่านพระอุปเสศน์ขึ้นสู่เตียงนําไปภายนอกกายของท่านพระอุปเซศน์ก็เรียราดประดุะด ก, กําแกลบณที่นั้นนั่นเองอนะเหมือนก็ว่าถูกระเบิดระเบิดตุ้มกระจายไปหมดเลยนะเละเลยนะของเรานี่ทําใจได้ไหมอินรีย์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันเถอะนะนั่นนะคำนวณสมพูดทั่วๆไปนะ ว่าก่อนจะตุติก่อนจะจุติยังยิ้มอยู่นั่นแหละมันกันน่นเหมือนกับสัมพนวนนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับภาพภาพที่มีรอยยิ้มเหมนนะที่ไม่มีจิตใจใช่ไหมถูกไฟไหม้นะเอ้าถูกไฟไหม้ก็ยังยิ้มอยู่นั่นแหละมันกันน่นจนหายไปเลยฉันใดเนี่ ย, น, ย, น, ย น, น, นี่ยผู้ร่างกายของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ลักษณะนั้นก็ทําใจยากนั้นนะคือตรงนั้นเนี่ยพระอุปเสสนท่านไม่ได้ทําใจแต่ใจของท่านเป็นอย่างนั้น ถามว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นบอกท่านทํากิจเสร็จแล้วเนี่ยนะนะอันนี้คือคุณของผู้ทํากิจเสร็จแล้วก็ เ, เป็นอย่างนี้คือกิจในที่นี้หมายถึงกิจในการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะปริญญากิจเป็นต้นเนี่ยท่านทําเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรแต่ผู้ที่ยังไม่ทันได้ทํากิจนะแค่รู้สักสามวันข้างหน้านี่ก็แย่แล้วนะไม่ต้องชั่วโมงข้างหน้าอะไรหรอกเนี่ยนะแค่เอ้ยนี่สามเดือนข้างหน้านะนับแต่นี้ไปเนี่ยนะ เขาบอกว่าโดยทั่วๆไปแล้วใครที่ที่ฟังหมอบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคมะเร็งจริงๆแล้วควรจะอยู่ได้อีกหลายปีนะโดยมากอยู่ได้ไม่หลายปีหรอกถามว่าทำไมเพราะรู้ว่าเป็นนี่ก็เกือบตายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะที่วันก่อนโยมเขาเล่าว่าไปตรวจลำไส้อ้าวลำไส้เป็นมะเร็งเนี่ยเขาันแต่ก็บอกว่าหลังจากนั้นอีกสิบสี่วันตายเล ย, ยนะแต่ถ้าไม่รู้อาจจะยาวอีกนานหน่ยนะ แต่พอรู้ปั๊บเนี่ยอ้าวแท้จริงอันนั้นถึงจะชากว่านั้นกว่าตายอีกทีนั่นแหละได้พ้นอะไรรึคือผมมีญาติป่วยเป็นโรคเอดสผมก็ไปเยี่ยมอืมะไปบอกเขาไม่ต้องกลัวเราตายแล้วมันไปเกิดอีกอืไม่ต้องกลัวตายผมจะแดงแรงไปเรือยเข้ามแล้วก็นอนสงบไปเพราะงั้นก็จะคิดมากอืมผมบอกว่าตายแล้วมันจะไปเกิดอีกไม่ต้องกลัวตายเพราะเอดส์เนี่ยตายแน่ๆหนีไม่พ้นผมก็พูดแบบนี้ถูกไหมครับ ถูกแลคนพูดไปยังเป็นอย่างนั้นเลยวันก่อนใครนะพูดจามินิดใช่ไหมที่ไปบอกร้านว่าอย่าพึ่งตายเลยเนี่ยใช่ไหมจามนิดก็บอกไปบอกล้านอย่พึ่งตายเลยถึงจะอยู่อย่างนี้ก็อยู่ไปเถอะคือเขามีเรื่องอนะก็มีเรื่องมีเปรตขี่ม้ามาบอกล้านล้านเนี่ยเป็ตคือทั้งคู่เนี่ยไอ้ล้านเนี่ยไปขโมยของมาแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านอ่าใช่ไหม เอาไว้ที่บ้านอาเนี่ยเสร็จแล้วทหารก็จับไปได้จับได้ก็ประหารชีวิตอาจับหลานนี่ไปเสียบก้นไม้เสดาแหลมแหลมเนี่ยนะก็เสียบก้นไว้หน้าประตูเมืองเสร็จแล้วก็ไอ้ฝายอานี่ก็ถูกตัดหัวไปเรียบร้อยแล้วอานี่ยไปเกิดเป็นเปรตแต่เป็นประเเวมานี่กับเปรตเปรตมีบุญอ่ะนะคือก็ขี่ม้าในม้าตัวหนึ่งขี่ทุกเย็นเนี่ยทุกค่าเนี่ยจะขี่มาบอกหลานอยู่ไปอย่าตายนะ จะบอกว่าถ้าตายแล้วก็ตกนรกไ ง, ไง่าย น, นี้เจ็บน้อยแค่นี้อยู่ไปเถอะทนต่อไปนะถ้าตายแล้วตกนรกง่ยายเลยนีนะแล้วก็มีในในเปรตแต่วัตถุเรื่องนี้ก็มี น, นี่ปัญก็จะบอกว่าเออเนี่ยมันจะปวดบ้างแต่ทนทนไปอ่ะนะถ้าตายแล้วมันปวดกว่านี้ไม่รู้จะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้นะถ้าศีลไม่ค่อยดีเนี่ยหมยหน้าห่วงนะมนอยู่นะมันอยู่เป็นมนุษย์นะมันปวดมันก็ไม่ปวดถึงนรกเท่าไหร่หรอกอนะนะ ถึงจะเจ็บเจ็บเนี่ยนะสมมติว่าอ้าวใครเป็นไข้ขึ้นนะถ้าพูดถึงคนทั่วๆไปไข้ขึ้นเนี่ยกับชาวป่าที่เขาเขาเขาจุดไฟเผาป่าเพื่อจะทําที่นะเขาร้อนกว่าคนไข้ขึ้นอีกเชื่อไหมสมมติว่าใครป่วยแล้วไข้ขึ้นร้อนมากแล้วตัวร้อนกับคนที่ที่ทําป่านเนี่ยนะเพื่อจะทําให้มันเป็นไร่เป็นอะไรเนี่ยร้อนกว่านี้เยอะนะนะ ร้อนกว่าไข้ขึ้นอย่างนี้อีกใช่ไหมเพราฝพ่ อ, อพของมาเคยทํามามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเขาจ้างให้ไปเหมือนเหมือนกับเผาป่านะมันจะมีต้นไม้เล็กๆเยอะเนี่ยต้นไม้ขนาดนี่เราต้องการเผามันทั้งรากทั้งโคนทํำยังไงก็ก็คือเอาฟืนท่อนโตๆเนี่ยมาเผาให้มันเป็นเป็นฐานให้ท่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะนนงานของเราก็คือคอยเกลี่ย่านเนี่ย แดดร้อนๆเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยนะเกลีย่ยถ่านให้มันไปไปอบไอไอโคนไม้เนี่ยให้มันไหมลงไปเลยนะทีนี้พอฟือนมันหมดก็เติมฟือนอย่างเงี้ยไปเรื่อยแล้วก็เกลีย่ยถ่านแดงๆเนี่ยรัศมีเยอะๆเนี่ยนะบอกโอโว่าโอ้โหมันร้อนจริงๆนะพึงนึกได้โอ้โหเนี่ยความร้อนแบบนั้นเราก็เคยทํามานี่ร้อนมากเลยนะคือแค่แค่ไฟในเตานี่ก็นับว่าร้อนมากแล้วใช่อันนี้มันพื้นที่มันมันกว้างใหญ่มาก อะแล้วก็กลางวันแดดร้อนๆซึ่งไม่มีร่มอะไรด้วยแล้วก็คอยเกลีย่ยถ่านนั่นเนี่ยนะหน้าเนี่ยยังกะจะไหม้เลยอ่ ะ, อ, ะ อ, อ๋อแต่ก็คิดแต่เบากว่านรกเยอะอ๋อเวลานี้ต่อไปได้นึกออกเออเนี่ยนรกร้อนกว่านี้เยอะแล้วก็ทาบุญไม่ดีก็อย่าพิ่งรีบตายเลยนะทาบุญไว้เยอะก่อนเถอะตายแล้วมันจะเดือดร้อนน อีกสูหนึ่งแล้วนะอุปวานะสูตรอุปวานะสูตรนี้เป็นสูตรที่ลึกซึ้งมากเพราะว่าเป็นสูตรที่กล่าวถึงปัจเจกขณะญานของพระเสขะกับพระอาเสขะคือเป็นปัจเจกขณะยานของพระอริยะนั่นเองนั่ะครั้งนั้นท่านพระอุปวานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระอุปวานะเนี่ยเป็นพระที่ที่ตัวใหญ่มากนะเป็น เป็นพระที่นุ่งผ้าเครียกว่าผ้ามหาบางังสกุลเลยนะใครที่อ่านมหาปริญนิพานสูตรเนี่ยจะจะมีชื่อท่านที่ไปนั่งกำบังเทวดานะคือเขามีพระพุทธเจ้าก่อนจะปริญญนิพานเนี่ยพระอุปวานนะเขายืนพัดเนี่ยคอยยืนพัดพระพุทธเจ้าอยู่เทวดาเนี่ยปกติเทวดาจะมองทะลุหมดใช่ไหมจะมองทะลุพระมองทะลุอะไรหมดแล้วเห็นเห็นพระพุทธเจ้าได้ เจอพระ อ, อุปวานนะยืนพัดเข้าเนี่ยตัวท่านสัมโนนะัตถตาท่านบอกว่าเหมือนกับลูกช้างตัวเล็กๆอะ่ะเหมือนกับลูกช้างเลยนะผมผ้ามหาบางสกุลเทวดามองไม่ทะลุอ่ะนะเทวดาเสียใจใหญ่เลยอะ่ะเสียใจมากโอ้โหมาแต่ไกลอ่ะนะมาไม่รู้มาจากกี่จั ก, กราวาลไปแล้วมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้ก็เสียใจพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าหลีกไปพิสุผนะ่านนนท์งงเอ๊ะทำไมพระ อ, อุปวานนะท่านก็ไม่มีความผิดอะไรทําไมพระพุทธเจ้าไล่ก่อนจะปรินิพาน พุทธเจ้าเบอกว่าพระอุปวานะไม่ได้มีความผิดอะไรแต่ว่าเทวดาเข้ามาจากที่ไกลมาเพื่อจะเห็นเนี่ยนะก็คือมองไม่ทะลุนั่นเองนะก็คือพระองค์เดียวกันเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์เป็นระดับอสิติทั้งนั้นเนี่นะพระกลุ่มนี้เป็นเป็นเปรนพระมมหาเทระผู้ใหญ่มากเนี่ยนะเป็นเป็นผู้ใหญ่จริงๆคือใหญ่ทั้งคุณธรรมใหญ่ทั้งความประพฤติใหญ่ทั้งความรู้ความสามารถเนี่ยนะมันก็แค่ฟังสูตรนี้แค่ธรรมดาทั่วๆไปก็ยากที่จะเข้าใจเนี่ยนะ คือท่านพระอุปวั น, นะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่าธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองนะเอหิปัสโกอ่ะนะเอหิปัสิโ ก, โกนะอ่ะคำถามก็บคำถามลักษณะนี้นะนีคือธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองดังนี้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระธรรมจึงเชื่อว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนเนี่ยพึงรู้เฉพาะตนพระเจ้าค่ะคือเป็นคำถามที่ไปถามแบบสว่าขาโตเลยนะว่าสันท e ิฏฐิโกอาการิโกเอหิปสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตับโพวินยูเห่ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงจะได้บทเนี้ยคำถามเขาลึกซึ้งมากกัย น, นะซึ่งเท่าที่ศึกษาธรรมะ ม, มาเนี่ยไม่ค่อยมีใครถามคาถามลักษณะนี้ มีแต่ผู้ที่บอกเออกาหนดรู้อะไรเย็ยนร้อนอ่อนแข็งแล้วก็บอก ว, ว่านี่อากาลิโกกาหนดได้ทุกการก็มีแต่อย่างงี้แหละแต่ว่าที่คําถามลักษณะแบบพระอุปวานะถามยังไม่เคยได้ยินเว้นสมัยพุท ธ, ธกาลนะเว้นได้ยินในพระไตรปิฎกเลยว่วาอะ ไ, ไรก็ฟังไม่ทันไม่ฟังหรือฟังไม่ทันหไม่ได้ฟังนอะนะคุณมันมีนี่เชื่อมากมาไเพรา ก, ก็นั่งฟังด้วยกันนั่งคิดไปเรื่องอื่นด้วย พอเราพูดจบแกถามคำถามอไอ้ที่เราเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยไม่ไหวสมาธิไม่ค่อยดีนะตั้งใจฟังมั่งนี่ <c oughs> เอาใหม่นะ <c oughs> คือเขาถามว่าธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองหมายถึงคำถามว่าสันธ e uh ิทโกสันทิทโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกอะปัจจตังเวทิตาโพวินยหด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่นะธรรมะกลุ่มนี้มันขอบเขตแค่ไหนยังไงเนี่ยนะ นั่นแหละคำถามเป็นคำถามลักษณะนี้พระผูมีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอุปวานนะก็ภิกสุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปแล้วรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายใน อาการที่ภิกษุเห็นรูปด้วยจักษุแล้วเสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีอยู่เรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอย่างนี้แลธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเห็นไหม อันนี้เนื้อความนี้จะรู้อัดได้ยังไงเข้าใจยากไหมพวกกันไงคุณบรรจุไม่มไมเอาใหม่นะเห็นรูปด้วยจับสุแล้วสวยรูปเอ่อขอไปเห็นรูปด้วยจับสุแล้วเป็นผู้สวยรูปอะนะรู้ตัวนั้นเอาออกไปนะ่ะต่าใหม่เป็น เห็นรูปด้วยจักูุแล้วเป็นผู้เสวยรูปแล้วก็คำว่ารู้ตัวหลังก็เอาออกไปไม่ต้องรักษานะขีดทิ้งเล ย, ยเห็นรูปด้วยจักูุแล้วเป็นผู้เสวยรูปเสวยความกำหนัดในรูปแล้วรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในคือคือนี่พูดถึงพระเสขะนะพระเสขะ ท, ทั่วไปเนี่ย ท่านพิจารณาในรูปะนะคืออยากจะยกตัว อ, อย่างว่ายกสีขึ้นมาพิจารณาคือพิจารณาท่านเห็นสีด้วยจักสุเนี่ยท่านเนี่ยเป็นผู้เสวยเวทนาในสีเหล่านั้นนะ น, นะแล้วก็พอเสวยเวทนาเนี่ยเวทนาเนี่ยตอนหลังประกอบด้วยความกำหนัดท่านก็รู้ชัดว่าไอ้ความกำหนัดเนี่ยมีอยู่ในภายในที่เป็นความกำหนัดที่ท่านยังละไม่ได้นะคือแยกออกแลวเออในส่วนนี้เรายังละไม่ได้นะ หมายความว่าเห็นรูปแล้วยังชอบอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันในส่วนที่ละได้ท่านก็ละได้แล้วไอ้ส่วนที่ละยังไม่ได้อันนี้คือส่วนที่ละยังไม่ได้นนะอันนี้เพราะเพราะเป็นปัจเวขณะยานของพระเศของพระเสขาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นด้วยอาการที่ภิกษุรู้รูปด้วยจักสุแล้วเป็นผู้สเสวรูปรู้สวยความกำหนดในรูปรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีอยู่ เรายังมีความกำหนัดในรูปในภายในอันนี้แหละเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกอาตาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยุหิเนี่ยนะ น, นี่ก็เป็นปัจเจเวขณาญาณ น, นะที่ปัจเจเวอะไรปัจเจเว ก, กิเลต ท, ที่ยังเหลืออยู่ น, นั่นเองว่าเออเรายังมีกิเลสในส่วนเหล่านี้ยังเหลืออยู่นะ คือเป็นถ้าเป็นพระนะจะตัวอย่างว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยสมมติถ้าท่านท่านเป็นพระเสะเนี่ยจะมีปัจเาาเนะปจเวกขณะยานห้านะปัจจเวกขณะยานเนี่ยหมายถึงยานที่พิจารณานะหนึ่งพิจารณา กิเลสที่ละแล้วสองกิเลส ท, ที่ยังเหลือเนี่ยนะสามพิจารณามรกสี่พิจารณาผลห้าพิจารณานิพพานทีนี้กิเลส ท, ที่ละแล้วเนี่ยกับกิเลส ท, ที่เหลือเนี่ยปกติกิเลสมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ รูปเสียงกลิ่นรสโพธะพระธรรมอารมณ์เป็นต้นนั่นเองงั้นถ้ายกรูปมามาพิจารณาปั๊บกิเลสส่วนไหนที่ท่านละแล้วกิเลสส่วนไหนที่ยังเหลืออยู่อ่นนอานะยกตัวเช่นมีรูปเป็นอารมณ์อย่างเดียวกันนะอย่างพระโสดาบันเนี่ยนะกิเลสที่ท่านละแล้วคืออะไรคือสักกายทิฐิวิจิกิจชา แล้วก็สีละพาตะปรามาบ่อันนี้คือกิเลสที่ยังเหลืออยู่กิเลสที่ท่านละไปแล้วใช่หส่วนกิเลสที่ยังเหลือคืออะไรกามราคะท่านยังปฏิฆะยังอันนี้ยกมากเออเนี่ยความกำหนัดในรูปยังเนียยังละไม่ได้เนี่ยนะพราะปจเวกขณะยานถามว่าจะมีหลังจากไหนจะมีหลังจากที่ บรรลุแล้วเมื่อบรรลุแล้วจึงมาพิจารณาว่ากิเลสไหนละแล้วกิเลสไหนยังเหลือนั้นก็ลักษณะนี้ก็คือยกกิเลส ท, ที่ยังยังเหลืออยู่เช่นเมื่อเห็นรูปด้วยจับสุเนี่ยนะก็เป็นผู้เสวยอารมณ์คือคือมีความรู้สึกในรูปแล้วก็เสวยความกำหนัดในรูปนั้นคือยังพอใจในรูปนั้นอยู่เนี่ยนะ แล้วก็ท่านก็รู้ด้วยนะว่ายังมีความพอใจยอยู่ยังละไม่ได้อันนี้แหละเป็นสันที่ที่โกเป็นต้นเน่ยนะอันนี้คือหลังจากที่บรรลุแล้วนะ จ, จ, จ, จึงใช้กับสูตรนี้ได้แต่ก็เขาแปลเข้าใจยากดูกไหมกันนะตรงไหนที่รู้สเสวยนะคำว่ารู้สเสวยเนี่ยเช่นณนะข้อแปดสิบเอ็ดนะดูว่าอีกประการหนึ่งดูก่อนอุปวานนะภิกษุ รู้แจ้งธรรมมรมด้วยใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมมรมสเสวยความกำหนัดในธรรมมรมคำว่ารู้สเสวยเนี่ยรู้ตัวแรกเอาออกนรู้ตัวหลังก็เอาออกข้างล่างคำว่าแปดสิบเ็ดเนี่ยนะรู้ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นผู้ผู้เปลี่ยนเป็นผู้เช่นรู้แจ้งธรรมมรมด้วยใจแล้วเป็นผู้สเสวยธรรมมรม เปลี่ยนเป็นแบบนั้นสเสวยความกำหนัดรู้ตัวหลังรู้ตัวหลังเนี่ยเอาออกไปที่อื่นก็นิยะเดียวกันแก้แบบเดียวกันสเสวยความกำหนัดในธรรมรมและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในธรรมรมอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในธรรมรมในภายใน อาการที่พิกษุรู้แจ้งธรรมรมณ์ด้วยใจแล้วเป็นผู้เสวยธรรมรมณ์เสวยความกำหนับในธรรมรมณ์และรู้ชัดซึ่งความกำหนับในธรรมรมอันมีอยู่ในภายในว่าเรายังมีความกำหนัดในธรรมรมณ์ในภายในอย่างนี้แลเป็นธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้ไดเฉพาะตนนี่นะอันนี้ก็เป็น ปัจเวกขณายานของพระอริยะท่านถามว่าอ้ารู้ได้ยังไงว่าเป็นปัจเวกขณายานดูหน้าแปดสิบะบรรทัดที่สามที่สี่อ่ะในพระสูตรนี้ตรัสปัจเวกขณายานของพระเสขาและอศเสขเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปว่าท่านเอามาจากไหนอันนี้ทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะข้อ เ8็ดสิบแนี้กล่าวถึงปัจเวกขณะยานของพระเสขะทีนี้ก็มาดูของพระเสขาบังดูก่อนอุปวานนะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยจักษุแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรูปในภายใน น, นะนี่ข้อแปดสิบสองนะเอาใหม่ เ, เห็นรูปด้วยจากสุแล้วรู้ตัวนั้นเอาออกนะก็เปลี่ยนเป็นผู้อีกเหมือนกันเป็นผู้สวยรูปแต่ไม่ไม่สวยความกำนัดนะไม่รู้รู้ตัวนั้นก็เอาออกเลยไม่สวยความกำนัดไปเลยไม่สวยความกำนัดในรูปหนังนะสือทาไม่แก้ก็อ่านไม่รู้เรื่อง ทัวในครั้งหนึ่งนะเห็นรูปด้วยจักูุแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปคือเห็นตาเห็นสีละมีเวทนาในสีแต่ไม่มีความกำหนัดในในสีเนี่ยนะและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันไม่มีในภายในว่าเราไม่มีความกำหนัดในรูปในภายในอันนี้ก็เป็นพระหันเน่ยที่ให้มาทบทวนนะว่าท่านยังมีความกำหนดในสีไหนบ้างในรูปารมณ์เนี่ยนะ รูปารมณ์สัทธารมคันธารมราษารมณ์โพธารมธรรมารมมีอารมณ์ไหนบ้างที่ท่านยังกำหนัดยังพอใจอยู่ด้วยฉันทราคะเนี่ยพิจารณาดูแล้วไม่มีเพราะฉะนั้นอาการที่ภิกษุเป็นผู้เห็นรูปด้วยจักสุแล้วเป็นผู้เสวยรูปแต่ไม่เสวยความกำหนัดในรูปและรู้ชัดซึ่งความกำหนัดในรูปอันไม่มีในภายในว่า เราไม่มีความกำนัดในรูปในภายในอย่างนี้แหลเป็นธรรมะอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน น, น, นะะคือรู้ได้ว่าโอ้โพิจารณาดูทุกอารมณ์แล้วไม่มีกิเลสเลย น, น, นะนะสวยเวทนาอยู่นะทุกอารมณ์แต่ว่าไม่มีกิเลสไงทุกอารมณ์อันนี้นก็เป็นพระอเศคานะ ข้อ82 83 84นี้พ้ารหันอย่างเดียวที่ที่ว่ารู้สวยในทุกอารมณ์ะนะมีความรู้สึกกับทุกอารมณ์แต่ว่าไม่มีความกำหนัดในทุกอารมณ์เหล่านี้นนถ้าไม่ได้ดูอัรถาศาว่าเป็นปั จ, จเจทขณะยางของะเสขาอาเสขาเนี่ยไม่ใช่ฐานะเลยที่จะอ่านรู้เรื่องนะของมาเนี่ยโค ใครแทบขึ้นเลยนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วต้องอธิบายด้วยนะถ้าไม่มีอะตะกะถาช่วยไว้นะแย่เลยอ่ะก็เข้ามาก็ชมเขาว่าเก่งนะทำไมกล้า ด, ดําน้ํากันขนาดนั้นไม่รู้ว่ามีตอมีอะไรอยู่ข้างล่างบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวตาบอด ก, ก็ยุ่งนี่นะทีก็อธิบายพุทธพจน์เนี่ยถ้าอันไหนไม่รู้เราก็บอกง่ายนิดเดียวว่าไม่รู้ไปเลยนั่นนะ <c oughs> เพราะว่าถ้า คือไม่ใช่วิสัยจริงๆที่ที่เราจะไปสุ่มเดาเองนะอย่างอย่างสูตรเนี่ยถ้าไม่มีอัตกระถาบอกว่าเป็นปัจเวกขณะยานของปศัเศเสขาเสขะเราจะอธิบายให้เป็นอะไรเหนะ็อธิบายยังไงก็อธิบายไม่ได้อยู่แล้วนะคืออธิบายสมมติว่าสุ่มเดาให้มันเข้ากับความจริงนะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายเห็นไหมยากมาก ฉันพุทธพจน์นี้ถ้าไม่ไม่รู้พุทธประสงค์ไม่มีอัตกถาดีกาช่วยหรือไม่เป็นพู้หูสูตรมากจริงๆอ น, นะนะเปอร์เซนผิดเนี่ยสูงสูงยังไม่รู้จะสูงยังไงสูงคิดว่าเอางี้นะว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาสี่อาสงขยแสนกับเนี่ยนะทำธรรมวิจัยเรียกว่าวิจัยมาอย่างละเอียดละออดีเยี่ยมหมดเลยเราที่ชาวเขามาจากไหนก็ไม่รู้มาอ่านหนังสือแล้วก็บอกว่านี่ท่านด็อกเตอร์ท่านว่าอย่างงี้นะ นะชาวเขาซึ่งมีความรู้ด้านวิจัยมาเลยนะมาอ่านหนังสือแล้วตีความเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะถามว่าดีไห ม, ยมแย่เลยนะทำนู่นว่าอาจารย์นิตเนี่ยเขียนฟิสิกส์โอ้โหออกมาอย่างดีเลยนะสูตรอย่างดีเลยออกมานะของมาไม่ไดเรียนอะไรมาสักอย่าง ก, ก็ไก่พออ่านหนังสือออกบ้างอันนี้อาจารย์นิดนี้ต้องกล้าอย่างงี้คิดว่ามันจะห่างความจริงขนาดไหนแย่มาก นะคือหน้าหน้าสงสารตัวเองมากเลยนะถ้าถ้าเราจะทำแบบนั้นนะออกมานีกรุณาตัวเองจริงๆผมมีปไตปีดกแล้วอีกยาปีจึงมีอาตมาท่านคิดดูสิครับการมีตั้งแต่พศห้าร้อเลยใช่ผมซื้อชุดนั้นชุดพศห้าร้อยเลยนะ <c oughs> ดีนะมีมาประดับบารมีตั้งนานยี่สิบหปีจึงมีอตา ใ, ใครมาบ้านก็ชี้ใดูนี่ไงเวตาตคนสอนที่ไม่ <c oughs> สอนกันมาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตโตที่ไม่ใช่อัตกถาเลยอ่ะเกิดือระ<ม>ดับประเทศไม่น่มีปัญหานะถ้าถ้าเราคิดดูนะก็ของมารู้จักพระเถระบางรูปนะเช่นจัส ม, มนฯอย่างเงี้ยนะซึ่งท่านก็อยู่ในสมัยที่แปลหนังสือลูกใหม่ๆอยู่แล้วท่านก็คือท่านก็ไม่ตีความเองอ่ะนะตรงไหนไม่รู้ท่านก็บอกไม่รู้ประทับใจาอาจารย์มากครั้งแรกไปเจอกันเราก็ยกปัญหาไปถาม ผมก็คิดเหมือนท่านนั่นแหละผมก็สงสัยเหมือนท่านนั่นแหละนะนะตอบเข้าใจทันทีเลยนะแอายุเท่าพุกานอายุหกสิบเจ็ดบวชมาสีนนะ่สิบกว่าพันษาแล้วนันนะเสร็จแล้วเราไปไปถามท่านนะนะเรถามเมื่อสักเจ็ดหกปีที่แล้วอะ่ะเราถามท่านอาจารย์แล้วก็เล่าไปก่อนเรื่องนี้ไปนี้ผมก็สงสัยเหมือนท่านนะั่นแหละก็ ท่านก็บอกว่าไม่รู้นะท่านก็ว่าไม่รู้หน้าตาเฉยเลยนะไม่เห็นเสียหายอะไนั้นแล้วเราก็ไม่เห็นนึกหนิโอ้โหเป็นพระเถระขนาดนี้ทําไมไม่รู้เราไม่ได้ตําหนิอะไรท่านเลยเพราะฉะนั้นถ้าพูดคํานี้เป็นหน่อยไม่เนีอยากเย็นอะไรเลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ขาดทุนชีวิตด้วยนะโดนด่าไปพูดบอกไม่รู้เนี่ยโดนด่าไปพูดที่ไหนทําไมไม่หัดรู้ซะมากเข้าวะก็ไปพูดกับใครเข้าไปพูดกับคนพาลเขก็ตําหนิเอา ก็ผมไม่รู้ผมก็บอกไป่รู้ก็บอกทำไมไม่หันรู้ซะมากก็ต้องรู้ว่าเรื่องอะไรด้วยนะแต่แต่ว่าลําบากใจจริงๆถ้าถ้าไม่รู้แล้วก็ก็เช <|so|> ียร์นะทีนี้ถ้าเราว่าผิดไปบ่อยๆครั้งจนเป็นอัธยาศัยของเรานะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นบอกว่าอัตกถาหรือพระไตรปิฎกคงแปลผิดเนี่ยนะในที่สุดนะถ้าเราเห็นเป็นอื่นไปมากๆเลยนะถ้าเราเห็นแต่คีดแบบเรามาตลอดเลยนะ เราจะบอกว่าเขาแปลผิดหรือเขาคนแปลไม่รู้เรื่องเรารู้อยู่คนเดียวนะแต่เราแปลหนังสือไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นอตกฐานนี่สคัญมากนะแม้กระทั่งแค่บรรทัดเดียวนี่ก็ช่วยเราตั้งเยอะแล้วถ้าไม่มีสักบรรทัดเลยเนี่ยแย่ แต่ว่าในขณะเดียวกันไอความรู้ไปศึกษาที่อื่นมันก็ต้องมามากแล้วเนี่ยนะเส้นศึกษาเรื่องปัจเวกขณะยาน19เรื่องอย่างอื่นมาเยอะแล้วเนี่ยนะจึงมาเจอบรรทัดสองบรรทัดแล้วเข้าใจเลยเนี่ยนะถ้าไม่งั้นก็กยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นคนที่ยุคนี้นะก็ยอมรับว่าเราไม่รู้เนี่ยแล้วก็ค้นคว้าไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวท่านก็จะแก้ให้เราจนได้แหละหละถ้าเรายังมีศรัทธาค้นคว้าแล้วก็แต่สํมงา น, นเชื่อมให้ติดนะต่อให้ติดก็แล้วกันนะ เชื่อมไม่เตี้ดก็อหน่ากรุณานะอ่านแล้วมันง่วงอย่าบอกใครนะยไม่เชื่นึกหายเดียวภาษาด้วยครูบาอาจารย์ภาษาบาลีก็ไม่ไม่ถนัดอัจฉริยะก็ไม่มีหรือว่าไม่มีตอนนั้นไม่มีวหมือนกันเถอะนะฮะแล้วอัจฉรถามีก็มีเป็นภาษาบาลีหมดแล้วอะไรเกิดขึ้นเขาจะเป็นครูบาอาจารย์ครับไม่ได้เรียนบาลีด้วยนะ พอรู้ชัดเนี่ยแปลเปล็นคนละคนเลยคนที่แปอย่างนี้คนนี้นรู้ไปอย่างนี้พอรู้ชัดพอรู้ชัดนี่แปลต่างๆเล ย, เยจริงก็น่าคิดนะว่าวิสุทธิมรรคเนี่ยแปลามานานเต็มทีแล้วนะถ้าถ้าถ้ามีศรัทธานะวิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์ที่แปลามานานมากถ้ายังมีศรัทธาในวิสุทธิมรรคอยู่นะก็ก็คงพอที่จะช่วยประคับประคองเทฐิได้เยอะเนี่ย แต่ว่าความมั่นใจตัวเองเนี่ยมันตัวเองนะนะไม่รู้ตัวไหนก็ไม่รู้ในตัวเองเนะี่ยไมต้องแบบต้องเป็นของเราใช่ไหมความรู้มันต้องเป็นของเราหวังกันไอตัวเรานี่มันตัวไหนก็ไม่รู้นะนะคิดไปคิดมานี่ก็อยุ่งน ะ, ะนะดูกายในกายเนี่ก็แปลกันหน้าดูเลยนะใ ช, ะใช่ถามอา <ใน S 1> จารย์มิ<ใ>นิตรนะอาจารย์นิดกายในกายก็อาจารย์นีดก <ใน S 1> <ช>็จะว่าแบบอาจารย์มินิตรได้ไหม มีใครข้างคนหนึ่งอ่ะที่นั่งอยู่ข้างในกายอ่ะ น, นะเขาเรียกว่าเห็นกายในกายเออมีหนึ่งคนอ่ะที่มันนั่งอยู่ข้างในร่างกายอันนี้อัะนายเรียกว่าถ้าเห็นคนนั้นเมื่อไหร่จึงจะชื่อว่าเห็นกายในร่างกายอันนี้เนี่ยนะเขามีแบบนั้นอีกอ่ะนะก็อาจารย์บอกว่าพระไตรปิฎกเี่มีคนแปลหลายคนไม่ได้แปลคนเดียวแปลหลายคนใครจะไปแปลไหวคนเดียว <laughs> ก็แปลไว้ตั้งแต่คือพระไตไปิฎกอ่ะ น, นะ ถ้าแต่ถ้าคนอยู่ในโลกของความเบียดเขาเริ่มแปลไว้ตั้งแต่นู่นน่ะน่าจะเริ่มแปลไว้ตั้งแต่สมัยกรุงเสียยุธยาด้วยซ้าไปแะแต่ว่าคือยังไม่ได้มีการมารวบรวมเรียบเรียงไว้เป็นเล่มเป็นอะไรเป็นเรื่องเป็นเรานะก็ค่อยทยอยแปลกันมานะไม่ใช่ว่าโหจัดแปลปับ๊บแล้วแปลกันร่วมกันมาแปลพิ่มเดียวไม่ใช่เป็นงานที่ค่อยๆแปลแล้วก็ฝากกันมาฝากกันมาฝากกันมาเนี่ยนะ ซึ่งคนที่มีบุญหน่อยจึงจะมารวบรวมเข้าเล่มเข้าชุดกันอย่างนี้ได้